ได้ส่งพอพระราชาลืไทยในการฟังเทศที่มีอยู่เป็นประจำในคราวบำเพ็ญพระราชกุศลถวายที่พระบรมศพราชการที่8แม้จะเป็นเทศกันยาวก็ส่งพอพระราชาลืไทยฟังส่งเริ่มสนพระราชาลืไทยในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ส่งพบปักกับพระมหาเทระผู้ใหญ่ก็มีพระราชปุจฉาและส่งสดับข้อธรรมนั้นๆอยู่เนงเนือง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 เมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้ชุมชนหลังวัดบวรตามคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดนะครับว่าท่านเสด็จขึ้นตึกกรรมฐานทรงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโบกพระหัตถ์สามครั้งก็บังเกิดกลุ่มเมฆและฝนตกลงมาอย่างหนักดับไฟที่กำลังไหม้สนิทประชาชนที่ได้พบเห็นต่างดีใจน้ำตานองหน้าก้มกราบกับพื้นไปตลอดทางที่ท่านเสด็จกลับกุฏิซึ่งเป็นพระเมตตาที่ชาวบ้านย่านวัดบวรจดจากันได้ดี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 สามารถติดตามดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์โจโ h o w net เช่นเดียวกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าประเทศไทยและพวกเราโชคดีแค่ไหนที่มีทั้งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐในทุกด้านและมีพระอริยะผู้งามพร้อมจนทุกนิกายทั่วโลกต้องให้ความนับถือ ใจสมทําสายทานที่ยังรินไหลสมคําสมอย่าเปรียบไว้พระญาณสังวรจะรืนหนึ่รอยพระชนสาสุขล้นในพระเมตตาสัำเถบิดาคอยคำสอน ชาติเรายัางคงบวรหากทำนั้นกรองหัวใจประชาติ